ใจความที่สำคัญก็บอกว่านหนึ่งพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะที่ปฏิบัติตามสิกขาบทวินัยบัญญัติที่พระพุทธเจ้าสอนสิกขาบทห ล, ลายอย่างเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับเครือข่ยญาติโยมเครือหัสยญาติโยมเขารู้นะว่าอะไรเป็นศีลแล้วมีใช่ศีลของพระพิสุถ้าหากว่าพวกเรามาช่วยกันเพิกถอนเขาก็บอกว่าพวกนี้ปฏิบัติตามคาสอนชั่วควันไฟ เรียบเหมือนควัญพูดและขวันเทียนเมื่อพระาศาสดาผ่านไปเนี่ยนะก็จางขวัญไปก็เลิกพากันปฏิบัติเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปทําอย่างนั้นกันเพราะฉะนั้นสงฆ์ต้องไม่บัญสงฆ์ไม่พึงบัญญัติในข้อที่พระองค์ไม่ทรงบัญญัติอันนีน้หลักการเลยนะ ก, ก็สั่งคําสั่งออกมาเป็นประกาศของคณะสงฆ์มีพระมหากระสปะเป็นประมุขว่า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 อาสาธารณยานหมียานที่กําหนดนะแจมแจ้งในโพชงทั้ง7ประการยานที่แจมแจ้งในอริยมรตยานที่แจมแจ้งในอนุปุทธวิหารสมาบัติ9้าวยานที่แจมแจ้งในทศพลยานยานที่เป็นกําลังของพระองค์ทั้ง10ประการยานที่พระองค์รู้อาการของธรรมจักรโดยอาการสิบสองยานในทุดงสิบสาเป็นต้นเนื่องจากว่าพระองค์มีพุทธยานทั้งสิบสี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 อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอนุปภาพวิหารสมาบัติกหรืออภินยาหกเป็นต้นที่พระองค์โดยมีโดยกุณธรรมพระองค์ก็ยังยกย่องพระมหากระสปะว่าพระมหากระสปะนั้นมีมีความประสงค์ก็ทำได้เช่นกับพระองค์ลหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นพระมหากระสปะนั้นเป็นผู้ที่พระองค์ยกย่องและพระมหากระสปะนี่แหละเป็นผู้ที่ประกาศยัติกัมมวาจายัติทุติยกรรมวาจ า, รร ว, า, จาว่าจะไม่มีการเพิกถอนสิขาบท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 เดรฉานถ้าหากว่ามีบุญมีปัญญายิ่งกว่านั้นก็พ้นจากชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาทของมนุษย์หรือของวัฏทุกขโดยประการทั้งปวงเพราะนั่นคือเป้าหมายของคําสอนพระองค์สอนทั้งหมดเพื่อให้ประพฤติป ฏ, ปฏิบัติอยู่ในธรรมที่นําออกจากวัฏทุกขเพราะฉะนั้นพระมหากระสปะนั้นเป็นผู้ที่มีความเข้าใจใน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 พระกลุ่มที่ทำสังขายานาเนี่ยนะคือคนที่รู้ใจพระพูทธเจ้ามารวมกันทั้งหมดเนี่ยนะไม่ใช่เอาคนธรรมดานะมามาทำสังขายานาไม่เอาคนที่รู้ใจพระพูทธเจ้ามารวมกันเอาคนที่รู้ใจเลยว่าพระองค์ต้องการอะไรคิดดูนะว่าพระมหาจายณนะท่านก็มาเข้าสู่สภาสังขายานา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 มีอัธยาศัยที่จะกำจัดความโกรธท่านเหล่านั้นมีอโมหัธยาศัยมีอัธยาศัยที่จะกำจัดโมหะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีวิเวกัธยาศัยน้อมไปเพื่อกายวิเวกจิตวิเวกและอุปฏิวิเวกท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีเนคขมัตยาศัยออกจากวัตฏะเนี่ยนะมีอัพยาปาทัตยาศัยอะโลกัตยาศัยนะมีอัธยาศัยที่จะประพฤติอยู่ใน อุปจาระอยู่ในฌานมีอัธยาศัยในวิปัสสนามีอัธยาศัยในอรยิอรยมรรตอริยผลและสำคัญที่สุดท่านเหล่านั้นมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อทำที่สุดแห่งทุกคือพระนิพพานท่านเหล่านั้นมีอัธยาศัย นั้นท้าวรียเจ้าทั้งหลายมีอา ร, รมณนาธิปติสิ่งที่ท่านฝักใฝ่และปรารถนาใจจดใจจาะของท่านคือพระนิพพานพระนิพพานเป็นอา ร, รมณนาธิปติของพราทรหันต์ทั้งหลายนั้นสิ่งที่ยังจิตของพาทรหันต์ทั้งหลายให้ปราบเริ่มยินดีที่สูงสุดก็คือพระนิพพานนี่นะนิพพานังปรามังวัฒนติพุท ธ, ธา พระอรหันต์ทั้งหลายพระรยเจ้าทั้งหลายท่ า, ยทานถือว่าพระนิพพานเป็นสิ่งที่สูงสุดคาสอนเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานท่าอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นท้ า, า ย, เ, าายเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นไม่เพิกถอนอย่างแน่นอนสิ่งใดที่จะเกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานท่าเรียเจ้าเหล่านั้นช่วยกันปกปักรักษาเสมอด้วยชีวิต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 ชีวิตเนี่ยนะชีวิตตายได้เขาบอกว่าร่างกายจะสลายได้แต่ใจจะไม่ห่างจากคุณของพระรัตนตรัยท่านเหล่านั้นเนี่ยยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะยึดเอาพระธรรมที่พระองค์สอนว่าเป็นสารณะยึดเอาความปฏิบัติ ด, ดีของพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนเป็นสารณะเมื่อท่านเป็นผู้ที่โอนตามพระรัตนตรัยเอ็นไปตามพระรัตนตรัยเอียงลาดลุ่มไปตามแนวแห่งพระรัตนตรัยที่จะให้ท่านเพิกถอนธรรมวินยัย